ณที่นี้เราพูดกันด้วยภาษาใจอาศัยเหตุดังกล่าวมาแล้วที่ว่าโลกทิพย์ของชาติใดาภาษาใดาก็อยู่ใกล้เคียงกับดินแดนของมนุษย์ชาตินั้นๆภาษานั้นๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมของโลกทิพย์ณที่นั้นๆก็มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะของโลกมนุษย์ในทิ่นนั้นไปด้วยเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเอง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 เราจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เลยนี้คือเขตแดงตามธรรมชาติซึ่งแยกภูมิต่างๆออกจากการเป็นชั้นๆนั่นเองหน้าที่นี้ความบางของอากาศจะทําให้เรารู้สึกมีความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติอันสมควรจะผ่านเข้าไปได้แล้วจะรู้สึกว่าไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอีกได้เลยสมมติว่า